ก็มีเธอเข้ามาเติมความหมายแม่ลูกทั้งไปจะวุ่นวายแต่ฉันกับยิ้มยังไง่ายได้โยธียาโพลมายอย่าอ้ายเธอเคยบอกกับฉันว่าจะเฝ้ามองฉันก้าวเดินไปไม่ว่านานเท่าไหร่จาเธอ เธอเป็นทองฟ้าเธอเป็นดังเมฆสีขาวที่อมกอนเธอ My for you ooh, ooh, ooh, ooh. baby you ooh, ooh, ooh. จะคอยฝืนมองเธอไว้ทุกทุกที่ที่ไปไม่มานานเท่ไรจะยังมีฉันอยู่เคียงข้างเธอ Oh you ooh. แล้วเธอลับไม่มีแสงไฟก็ยังมีเธอกับฉันไง มีอะไรจะสำคัญเกินกว่านี้อันนี้บางวันที่ต้องไกลแต่ฉันยังให้เธอรู้ไว้อยู่ a l a w s on my mama ah uh, ah uh. I'm s o y t t do do do do do do.